บันก่อนมีข่าวนะที่ประเทศจีนมีชายชราคนหนึ่งขึ้นรถเมย์รถเมย์คันนั้นก็คนแน่นมากไม่มีที่นั่งว่างเลยนะ อ, ะอาต้องเบียเดเสียดยัดเยียดกันชายชราคนนั้นก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆ ก, ก็เรียกให้ลุกขึ้นให้ลุกนะตัวจะ ไ, ได้นั่งแทนไม่รู้ว่าเรียกแล้วสะ ก, กิดด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปอ่า กระตุ้นขยันขยอยให้เขาลุกขึ้นแต่เขาไม่ลุกอะ่ะก็ไม่ทราบว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่สำหรับคนแก่หรือเปล่านะหรือว่ามันไม่ใช่เป็นที่พิเศษสำหรับคนชราใครๆก็นั่งได้อันนี้ก็ข่าวก็ไม่ได้แจ้งละเอียดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นที่ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นที่นั่งสำหรับคนชรานี่มันก็แปลกนะไ ป, ไปเรียกไปบังคับให้เขาลุกขึ้น ให้ที่นั่งแก่ตัวเองไอ้ชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่ลุกก็เลยมีการทะเลาะ ก, กันนะไอ้ชายแก่สึกว่าจะจะตบหน้าด้วยนะทะเลาะ ก, กันอยู่พักใหญ่สุดท้ายชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวนะก็เลยเดินเอ่อลงจากรถไปเลยแต่ว่าชายชราคนนั้นเนี่ยพอได้นั่งไม่สั ก, สกไม่เท่าไหร่นะก็คงเพราะว่าความความโกรธความคุณเคืองมันยังมีอยู่นะ ก็บอกว่าช็อกเลยหัวใจวายตายช่วยชีวิตได้ไม่ทันนะก็ตายคารถเม์นั่นเลยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าไอความโกรธนี่มันน่ากลัวนะมันมันสามารถที่จะทำร้ายเจ้าของให้ถึงตายได้ชายชลาคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีความโกรธมากนะ มีโทสะเจ้าอารมณ์แล้วก็อาจาจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางด้วยขึ้นรถเมล์แล้วไม่มีคนลุกให้นั่งนะก็ไม่พอใจไม่พอใจแค่นี้ก็ไม่พอใจแล้วนะไม่มีคนลุกให้นั่งก็เลยต้องสั่งให้เขาให้คนลุกให้ตัวเองนั่งพอเขาไม่ยอมก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ความโกรดนี่มันเผาผลานใจเจ้าของมาก แล้วกม็มันไม่ใช่แค่เผาผลาญใจมันก็เผาผลาญทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยอันนี้จะไปโทษใครไม่ได้นะก็ต้องโทษนะความโกรธที่ตัวเองหล่อเลี้ยงไว้ในใจจะไปโชดชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้เพราะชายหนุ่มคนนั้นแกก็แกแก็ยอมแพ้นะเลิกไปแล้วยอมแพ้ลงจากรถนะไม่อยากต่อรถต่อเถียงคนเราเวลาโกรธเนี่ยมักจะโทษคนนั้นคนนี้แต่ไม่ได้กลับมาดูใจของตัวเองว่าไอ้ความโกรธนั่นแหละนะที่มัน ทำร้ายตัวเองมากกว่าใคร ม, มีผู้ชายคนหนึ่งนะอันนี้คือเมืองไทยพ่อไม่สบายก็ดูแลพ่อที่โรงพยาบาลแต่ว่าวันจันท์ก็ต้องไปทำงานพ่ออาการหนักเรื่อยๆไปทำงานก็ยังเป็นห่วงพ่อแล้วก็เลยมีช่วงหนึ่งก็ต้องออกไปทุละสมัยนะั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือ พ่อจะไปจากที่ทำงานก็บอกเพื่อนว่าถ้ามีโทรศัพท์จากบ้านมาก็ให้บอกด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นข่าวร้ายพอ่พอพ่อการหนักลงเรื่อยๆแกก็ไปทุระข้างนอกสักพักกลับมาที่สานักงานเพื่อนนี่ก็ไปพูดนะไปบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้มีโทรศัพท์จากที่บ้านมาที่จริงไม่มีหรอกนะแต่เพื่อนเนี่ยต้องการอํำ นะหรือว่าต้องการหลอกนะล้อเล่นต้องการอยากจะล้อเล่นแต่ล้อเล่นนี่ไม่ไม่รู้จักเวล่ำเวลาไม่รู้ว่านะผู้ชายคนนั้นนี่เขากาลังมีความกังวลเรื่องพ่อพอที่ยินเพื่อนบอกว่ามีโทรศัพท์ที่บ้านนะโทรมาแกก็ตกใจเลยเพราะว่าเชื่อว่าเนี่ยมันต้องเป็นข่าวร้ายแน่ยังไม่ทันสักถามรายละเอียดเลยนะว่า เขาพูดว่าอย่างไรก็ช็อกเลยนะเป็นลมแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลก็คไม่ใช่เป็นลมธรรมดานะก็อาจจะ เ, เกิดเส้นเลือดในสมองแตกไปด้วยซ้ำนะก็พาส่งโรงพยาบาลตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็รู้ความจริงว่าจริงเนี่ยเพื่อนเนี่ยอ้ํานะไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ที่ไหนจากบ้านโทรไปหาเขา แกก็แค้นนะโมโหเพื่อนตัวเองก็ป่วยอยู่แล้วนะแต่ก็ยังโมโหเพื่อนยังเจ็บใจแค้นอยู่แล้วก็วันนั้นเนี่ยเพื่อนก็มาเยี่ยมเพื่อนก็รู้สึกผิดนะก็มาขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะพอได้ยินเพื่อนผู้ช่นนี้แกก็โกรธขึ้นมาทันทีเลยเพราะอ่าเป็นเพราะแกนี่แหละนะที่ทําให้ฉันเนี่ยนะมาล้มป่วยแล้วยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกนะว่ามามาพูดดีกับฉันอีกนะ แกโกรธเพื่อนมากนะโกรธปี๊ดเลยนะคราวนี้เส้นเลือในสมองก็แตกอีกทีเลยเพราะว่าคราวนี้ก็ตายเลยนะตายตายเพราะความโกรธนะโกรธใครโกรธเพื่อนนะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มองเพื่อนในแง่ร้ายนะเขาก็รู้สึกผิดแล้วเนะเขาก็มาขอโทษขอโพยแต่ความโกรธแค้นมันก็ทําให้ พอเห็นหน้าเพื่อนนี่ก็ยิ่งโกรธหนักเข้าไปใหญ่เพื่อนพูดดีก็มองว่าเขามาเยอะเยะ้ยก็เลยกลายเป็นว่าคราวนี้ไม่ฟื้นเลยความโกรธนี่มันทำร้ายคนเราได้มากเลยแต่ว่าคนจำนวนมากนี่ก็ยังยังหวงแหนความโกรธนะบางคนไม่รู้ตัวแท้ซ้ำว่าเป็นคนขี้โกรธนะหรือบางคนนี่ก็รู้ตัวเองนี่ขี้โกรธขี้งุญหงิดแต่ว่าก็ ไม่คิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ใส่ใจคอเพราะว่ายังยังรักความโกรธอยู่หวงแหงความโกรธเอาไว้อันนี้น่ากลัว ม, มาก <c oughs> มันไม่ได้ทําร้ายใครนะมันทําร้ายตัวเองนะเวลาโกรธนี่เรารู้สึกเรามีอนานาจนะมันทําให้เรามีพลังที่จะด่าใครก็ได้มีพลังที่จะทําร้ายใครก็ได้ก็รู้สึกว่าเออมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นความหลงเลยนะเพราะว่า มันสามารถจะทำร้ายเราได้คนเรานี่อย่างน้อย ก, ก็ต้องรู้นะว่าความโกรธเนี่ยตัวเองนี่เป็นคนขี้โกรธแล้วก็ลั่วความโกรธไม่ดีก็ต้องหาทางแก้ไขก็มีรายหนึ่งน่ะแปลกดีนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางลมโคเนี่ยหลายคนคงเคยได้ยินชื่อสมัยท่านยังเป็นพระหนุ่มเนี่ยท่านก็ไปไปเรียนวิชาต่างๆสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนนะต้องก็ไปเรียนตามสำนักต่างๆ ทังด้านปริยัต์แล้วก็ด้านคาถาอาคมสมัยก่อนคําว่าวิชาเนี่ยมันหมายถึงคาถาอาคมนะมันไม่ใช่เป็นวิชาหนังสือทนังหาก็ไปเรียนกับอาจารย์คนหนึ่งนะอันนี้เป็นวิไปเรียนไปเรียนท่านปริยัตนะเขาจะไปเรียนภาษาบาลีจากอาจารย์ชื่ออาจารย์จีนนะวัดเจ้าเจ็ดนะอาจารย์จยีนนี่สอนหนังสือเก่งนะแต่ว่ามีนิสัยอย่างนึงคือดุร้ายมากนะดุร้ายขนาดที่เรียกว่าถึงถึงอะไร เรียกว่าถึงเนื้อถึงตัวเลยนะใครลูกศิษย์ตอบไม่ได้นี่ฟาดหรือตบเลยนะแกก็รู้ตัวนะแล้วแกทาํายังไงแกก็ให้ลูกแกแก็เวลาสอนหนังสือเนี่ยแกก็จะเข้าไปอยู่ในกลงมีกลงเหล็กนะนหน้าห้องเรียนเนี่ยแกจะเข้าไปอยู่ในกลงแล้วก็สอนหนังสือจากหลังกลงหลังหลังกลงนั่นะในกลงนั่นแหละนะ แล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยปิดกุญแจล็อกกุญแจไว้ให้ดีๆเก็บกุญแจไว้เวลาถามลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ตอบไม่ได้นี่ก็จะโกรธมากนะเอาเอามือนี่เขย่ากลงเลยเขย่าลูกกลงแต่ว่าออกไม่ได้นะคือถ้าออกได้นี่คงจะฟาดหรือตบนะนักเรียนเลยนักเรียนนี่ก็พระนะี่เป็นพระเป็นเนรอันนี้ก็ขนาดที่เรียกว่าโกรธจัดมากนะแต่ก็ยังดีนะที่รู้ตัว แต่ว่าก็น่าคิดนะว่าเป็นอาจารย์สอนธรรมะนะแม้จะเป็นเพลิธรรมนนี่แต่ว่าห้ามใจไม่ได้รู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ยังห้ามใจไม่ได้แต่อย่างน้อก็ต้องยังอาศัยตัวช่วยนะก็คือว่าให้มีลูกกรงเอาไว้นะแต่ถ้าดีมต้องฝึกฝึกจิตฝึกใจตัวนะไม่ให้ความโกรธมันครอบงําใจนะโกรธได้นะแต่ให้รู้ทันนะเหมือนกับประตูวันเนี่ยนะเปิดได้ปิดด้วยนะ แต่ก่อนมีป้ายไหมเปิดได้ปิดด้วยคนเราก็โกรธได้เหมือนกันนะปุ้ทุชนแต่ว่าให้รู้ทันนะรู้จักวางได้ให้มีสติรู้ทันนะอันนั้นแหละมันถึงจะกํากับใจไม่ให้เสียท่าไปกับความโกรธแม้ความโกรธนี้มันเอาถึงตายได้นกะอย่างสองเรื่องที่เล่าม า, าแล้วก็เตรียมรับพร